ธาตุพนุ่เจดีเป็นที่สำคัญยิ่งหลี่ยงทั้งกัดส ป, ปาเจ้าอลหันบูปาหาลอยองมานะ้าพญาเจ้าหาพระองค์ผู้กับพาวันทรงหากเป็นที่หมอสรง หัวอกพรคโคดงแห่งอุลังคาธาเจ้ า, จาสมัยการนั้นเขาเกิดเย็นเยี่ยงบ่ทำเทียงเทวดาผู้หูรักษาเฝาบ่ยืดคอติดสินบนพี่น้องเขาของเครื่องเส้นทวายาศาสนาการเลิกา ดอกมวนมอมบอสองเจ นกน้อกัในใจเป็น